ผีตายเนี่ยมันทะเลาะกันเชื่อนึงผีตายเนี่ยอย่างไส้เนี่ยมาหน่าเงินนี่แหละทะเลาะกันวนวายเขาก็่ได้ไห่างให้คนทั้งร้านเขเข้ า, ขาใจว่าเข้าใจว่าเห่าสิดติดกุฏิหลังเขามาเห็ดนี่มาโจมตีเห่ากับเกี่ยงไสละ่ะ บ, บิกต้องเมันวันเขาคุณบรนพทมาคุณบรนพทมาคุณบรนพด์มหาวิทยาลัยมาอสนอนเขาเขาเลยว่าว <c oughs> ุฒิรังนี้เดิมเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้หลวงปู่ด อ, อเขาจะไปทําให้เขากระต๊อบขนาดนี้เมื่อเขาทําไม่ไหวเขาเอาเลยเอาหลวงปู่ไปขายแเ้าหลวงปู่ไปขายแล้วเขาก็เลยมาทําเขาหนูว่าเขาจะไปทําไก่หนึ่งกิโล ถ้าไปทำแล้วจะให้หลวงปู่ไปนอนพอเป็นพิธีพอเป็นสิริเขาทีนี้เมื่อเข้าไปมนรอดเขาก็เลยมาทํานี่ทำท่าทำทางให้หลวงปู่อยู่หลวงปู่ลูกดีมันออย่างนั้นอย่าไปเพ่งพทษหลวงปู่นะบัณฑ์พดน์ะหลวงปู่ลูกดีหมดหลวงปู่ลูกดีหมดลูกหลานเข้าใจเพียงแค่นี้หลวงปู่ลูกดีหมดเขาแก้งทําให้ลวงหลวงปู่ ลงมือที่นี้หรือไม่แก้งคำหรือหรือเขาไปไม่ไหวแล้วเบกอะไรมาทำท่าทงทางให้น้องปู่น้องปู่รู้ดีน้องปู่รู้ดีแย่าไปเพ่นโทษน้องปู่เนอะที่นี่มาพูดยื่นยื่นี่คะนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนี้คนนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนี้น่าไห้เกี่ยวกรเทิเอาว่าเนี่ยเออบริษัทบริวารของน้องปู่มีน้อย เราค้ากันไปทะลลกันบริษัทบริวารเขาหลวงปู่เามีน้อยทุตัวทามันเองเขามีน้อยเราไปทะเลกันทำไมมันจะมันมันเหวี่ยงมันฝันพระรหันว่าของขโมยมันง่าไปเส็บดหเปล่เราไปทะเลกันบริษัทบริวารเขาหลวงปู่เขามีน้อยตั้ ง, จ ง, ง, ง, งใจปฏิบัติตามสุส ก, กำลังของใครของมันแล้วคนก็กเป็นผู้มา บวชก็คราวคุณก็ณณมีหน้าที่จะปฏิบัติเรื่องนัดเข้าเดี๋ยวก็พอลาสุขาคุณจะมาสอนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็เสียเวลาของคุณนะถ่ามันคลาดหลนั่นนักปาดเราออกนั่นข้าฟังเอาลดรวนออันกเอา้า หลวงพกนักปาชอาจารย์กปาชญพระิจารมหาอยู่ตัวประยุทธทอสอ์สองพันที่เราไปทุกกล้องสองสองพันที่เราไปทุกกล้องอกพัดสาแล้วเหมือนกับเป็นเดือนทุกสองแล้วการกะถินแล้วการ ก, ะาการะถินกับแล้วการถิว่าการเหมือนกันพระนอจารมหาก็เลยขึ้นไปล่าล่าล้มปูมัน เดี๋ยวนี่น่ะการงานพ่อแม่คู้บ้าอาจารย์มัดเราบ่านะน้อหรือจังไรน้ออาจารย์ขั้นว่าการงานพ่อแม่ผู้บาอาจารย์มดแล้วน่ะเขาหน่อชีออกไปวิเวกวิเวกกรสิอว่าไปไกลรอกอยู่ฟังพ่อฟังแม่อยู่แม่ที่ไปไสกระเบวงังมาชีเต็นซ้ำสอออกซ้ว่าเนือพ่อนแม่ไปรอกอยู่ือพ่อคือแม่เอเกาอยู่าอาจาเราีสมพปบ่ออาจ นั่นลูกศิดลูกคิดบันคิดเนอาจารย์กนักปาดหน่อยม้เอ อ, เ, อ, อเราทั่งตัวว่าจั้งกั <c oughs> เดี๋ยวนี้กับการง้างกหาหมื่อเร็วนอกเราแ่งไปวาตัวที่ไปก็ไปไอ้แจ์ขั้นไปที่ไปมือได้ขอหน่อยต้งสิพอดีว่าหายเกียจหายงดเปเออ ตัวควรว่าจะไปเมื่อไรถ้าขวาถ้าแย่แล้วกไปอันขัไปที่ไปทั้งทิดไหนคนอ่ะทังทิดให้เมี่ยในติโลุนมูจั๊จะพ่อตายกัสีสามหน่เพื่อให้เกลี่ยเพิ่มหน่วยอืมก็ไปทั้งทิดแต่วันออกอ่ีวเคราะหบันบออุกตือประสานก้มีพุ่งใ้เขาล้ายะไรกันขัพระรงพระเรียนขับนี้ทำโปเจกขั้นี้อะไรกันอะรับพวกเขาเขาเป็นท้ายไปหอดแล้วเพื่อให้กลี <ielle> diet, so ่ยเพิอะ สะดวกดีบุคคกคนกลับไปพี่สบา ย, ย, ยนะบ้อะไรบุกคปทางอื่นยังเปลน่ยนไปเพื่อนไปศึกษาชปได้ไครับยังมหัำไม่มือไปได้ไงมาเนี่ยยงมาทไม่เหม่อไปไปมือได้ก็เลยทั้ความสะดวกเนาะเนยไปกับทั้งงานาลูกเอาเพิ่มจากมหาพอหาไม่ไดหรอกเอา่ทั้งงานยุจิีใหาเดียมสามก็ได้เพื่น ว่าวาสิศพอจะมีอะดอกกันว่าสิศเซนทรัรออกหรือว่าดอกอโอ้ยหลวงชิดบันฑิตอาจารย์ ก, ออ ก, กับนักปาชเล่ากันมันเกิดว่ามันเป็นตะฟังเออบัดรเมื่อทีไปกับพระราชาเมื่อนี่ว่าเสมาลาพระแม่คู่บวชอาจารย์นะว่าคแั่พ่อแม่คู่บอกอาจารย์ให้อออาาโอกาสแล้วว่าว่าสะไปไห ท่านลาคดีไปน้ำอยู่เจของเจ้าก็ไปอยู่ไ่ไปคดีไป เ, ปไปเออค่อยนะแล้วหลวงทํานท้อทเอิดเพล่นลงมากแลาา้วมหาโต้ห้องอ ป, ปออาลาล่าคนเลยเด้อคนโตกร้องสุพรรณีเอาไปนั่งปลาล่าลายมือเลยเอาไปซื้อขาลายมือเลยเฮาก็บอกว่าตัวคไปน้ำอยู่ พอดอกของเจ้าไปนั่นพอดีแอคูบายจันนู้นคนหนึ่งพอไปล่ามันเจออะไรเพราะว่าคอนโดว่ไปล่ามันกับพิดแล้ววสั่งเข้าเข้าการล่ามันก็ดีแต่เข้าแล้ววะสั่งมันก็บพิดตดนแล้ววาสั่งกระทั่งพิษเข้าอีกเลยคือเขาบอกก็สอนว่าสั่งเราเรียองของพอยห้องมันนี่ก็ะตอกกรล่านตัวว่าสั่งเสมอในมันหาในยากเลยเสมอเนี้เขาตกลงมือไปแล้วเขามาล่าเข้าเขาก็ไปโลดมีพอดีเค่แอคูบายการไปกลางคืนก็มี เ็ดคือปฏิบัติคือเพศคือผีนี่งงสั่นว่าใช้บ้านคือกันทังตบ้านนพ่อทั้งแม่เท่ากันนะฮะพี่พออแม่ลูกคือเห็นว่ามันเป็นทังสั่นหนอกก็เทสทังสั่นมุยเลยมีอะไรกเออเออเออเออเออเออกออวออเออเออเออเออออเออเออเออวเออเออเออ พี่น้องเข้าก็บนี่จะพูดหนึ่งตายประละละองปานี่มากบ่อยปานี่บ้านหอด บ, บ่อยวก็มี่ยงเฮือกันแหละเพชบอยเพชรกันก็นได้คอยเข้าใจว่ามันเป็นแค่สัน้นเว้ยคอยเข้าใจว่าเป็นแค่สีเว้ยคำบ่าเมนก็บอกไม่แต่มันแ ม, ม, ม่นพุ่นคำวมาเถือกเพชรมันจะเถือกหุ่น เขาอกยังสั่งม่งกับผดกันยังเชียวบอกไคกับว่าแม่งข้อมผีแม่นกับของผีบอกเขาสังเอ่อถ้หอบนักปฏิบัติอยากต้องการถือคือห่ะเขาม่นด่าถือตอนนี้หอบว่าเฮ็ดให้จะถือตัวเสี ย, เ ป, ย, เ, ยเปียบเสียเดียวที่อย่างไแม่นบาสั่นอืมสั่ผู้หวังคนทุกนวาวตารงสารเออก็มีใช่นั่นเหร มันเป็นพระหรหันต์มาแต่ได้ทองเราพระสีได้มาบวชพระธิมารักษาราศินเมื่อก็เป็นพระหรหัน์ออกมาก็เพราะข า, าดทัดยชีวลดเนี่ยจะคือศีลลดเนี่ยก็ขอว่ามันมั่นดีนะครับพรีธมารักษากันตังค้นต่างหวังมุ่งดีเรามันก็จิตวุ่นไหวแข่งกันตัวก็ที่อยากเขาวางสั้นแม่พรสันอาางศ์นีตั้งค้นตั้งสีเอาแพรเอาชนะขันวัาเถียงกันจล้วั่นก็บูือดรกกระยาดึงจะบวชนะลดออกเป็นสั้นๆอรรถ เขาไม่เท่าเป็นคาราวาดเนี่ยเขากระติ้วด่าคุณละใส่ม้วนบางกล่องนี่ม้วนบ่อหล่นเนี่ยเ <laughs> ห ม, มือนเดินเล่นว่างูมาแคลงไว้ดีๆซะหรอตีม้วนบางกล่องหล่นเนี่ย <laughs> พะพุทธเจ้าสอนอะไดีพอแ้งพระพุทธเจ้าสอนว่าสองรับฟังข้ากันที่พูดที่สนเสนอมาสั่งขันคันขดข้านกันเน การพูดนันตกวงะันนคั ด, ดน้นเขั่นนี้บอก่าเ ก, กียวกับเกว่กันว่ฟังเสียงกันเลยทีดันไปดันมั่นว่าไม่เหตุไม่ผลเลยทีสังคมไหนสังคมไหน่มีคนเป็นกลางสังคมนั้นลาบากเนอะเขาจะไปกับท่านพ่อเมีเฮาเพื่อนจะคัดของมาแต่ไม่มพูดเยอะทางค า, วารวะกัน จะไปเหกันณสั้นทไมเขาสิค so ok ือค like ัดของคนเพื่นเสียอารมณ์เรามั่นกับพดีว่าฉันคือเขาบอกเข้ารบคนมวยผู้มวยผู้สมกันเลยมีแต่ว่าแมนควผู้นี้เว่าแมนควมผู้นี้พราว่าแกควบผู้นี้ผมเมาผมเมาซอฟผู้นี้แกควบผู้นี้มม่ซอผู้นี้เรื่องมัง่ายขึ้นูดพื้ขึ้นควบภาษสออกขาแขนมน่มีนักป่ามีแต่นักเปรตจมื่น แมน่นบอกรับอิทีบอกมีแต่นักเพจมันมีนักปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวาระสงสารขักพูดได้ ไ, ดไปกลับไปเข่าขาพวกนั้นเรียกแข้งเรียกขากวบจริงมุม้งนี่ว่านะเขาเน่าแั้งสัน่นบ้านเมืองพันสิโดถูกกังสันเลย บางเมื่อเพื่อนสืบถูกกังสียได้ผู้ว่าอาจารย์ผู้ปกครองผู้ใหญ่อยู่นี่หรือพ่อแม่เห่านี่กระทบ่าเทืนเพื่อนสีลําบากด้สีแต่เพื่อนนักไก่ด้เข้ามาเนี่เขามาให้พ่อให้แม่เ้าี้ข้อเด้ว่ามันเข้าทำมาขี้ข้อพ่อแม่เาเนี่ยว่ามันเข้าสำไมเทียบมนักมวยเอกซะกันนี่มวยผู้อาจีกคนมิติไะหาเพื่อนกันย้อุกคนนั่ง say หาเพื่อนี่กันย้อน say เพื่อนี่ a y โอ้ยเข้ารือว่าปร์นะ ขาไมาเป็นงน่ายนะข้าตายผู้เดียวข้ากอตายบ่มีบริษัทบรวารเฉาะมยาวหัวมันเง่้บข้าวสิเอาหมดผนมาเป็นบริษัทบริวารออนะคนองุ่นเรี อ, บอมบ่มามาหัวคนข้านี่ยว่าธรมารมะธรรม สันสูงววกินสบายยัมันของนั้นน้ต้มสันกินสั้นีสันงั้นสันข่าสั้นอันนนี่สันกินสั้นขีสั้นนุ่งสันถือนี่ขันว่ามผลนพาอนันอันนี้วาไปตายยังมันสูงโคทว่ามันของเงี้ยตําผีเงี้ยมั้งกโพดงอสูงนซื้อปฏิบัติบ่ถึงงานต้าเยอะหงานตําย เออปัญชุ่ไ ป, ไปเมื่ไรแล้วมาค่านี่ว่าสูงตายก็ว่าถึงเาหง่อนมันไม่ว่าเราหง่อนมันไว่สาวเพื่อนกกระ ป, ะปวดข้อตายขึ้นเนี่ยหลวงพ่อสั่นว่าอันนี้ทั้งบานขื้กันทั้งวัดขึ้นกันนะลูกคุณลุงพ้นมาซอตะอแต่แมหาเรื่องมาออต่ซอตะอแต่แม ให้พ่อแม่ฮักโตใหยพ่อแม่ได้มออดด่อระดกแต่โตผู้เดียวนีนบบ่นั่นกับวเนี่นั่นกับวเจริญเข้าอยู่น้ำลบผู้มันลบผู้มหาจนคนขนาดมากข้าอ้อถ้าโตท้ามึงผี่น่ะ ตัวที่เศร้าร่้ปะเศร้าขัวว่าเช่าคังที่หนึ่งคั้งที่สอ ง, งห้องปนิบัตกในนี้คังที่สามห้องจุบอกคนนี้บอกกูว่าอาการนี่ต้องเปลีาาป่ยนสัต์หรือระยะระยะระยะัตขันในเชงขั้นใบรบราานเชงพัฟลมราซาเข็มดอกนึ่งสามตัดข้ออะไร ด, ด้ไว้สัวเนี่ยอันนี้บะมี่แต่ไว้เสมอเนี่ยมงึงได้อะไรนั่นอนือบมีร จับคุมงานอะไรบ้างเนี่ยเพานี่มักผลในภาคนั่งในยู่ไก่ที่ฮะเนี่ยมันมาของกันด้วยนน้ำกินน้ําขี่น้ําใสน้ำซอยนี่มักผลในภาคอยู่ทิพย์ใหญบุ่นี้ยบุ่นจะดาวก็ยังจะเห็นมันงเหรอมันกับวัตถุอันนี้ก็ได้แค่บ้านกับึกอันนั้นแหละเห็นไอ้ที่จะเลินได้อืแล้วพูดที่เจ้าบอกว่าให้เล็กเล่นเลกเล่นผา แออล้นนงงลวภาคการประเนนท่านยากการเรียนฟัวก็ไม่อยกอะไรลูกไปรงเรียนก็รีดกันเท่าลูกอืมมันเดี๋ยวเงินจะใสมาสนะสนั่งอืมมิได้คิดหายวัวาบัดเดนนพระพุทธเจ้าสอนดีพระอย่งางเราโมโหของบออ่อไอ้เมาเทศ ด, ดีไปพระพุทธเจ้าทุ ก, ากเอ้อาเจ้าอาวาสวัาสันก็ไม่เจ้าอาล่าวาส ฝากนไนน้น่ยข้างส่วนตัวไปจากทะเลทะเ ล, ะเลอันนี้ห้องเ้า ม, มุ้ยจากบาทเลยเนี่ย เ, อเยปงปงปง้อก็ห้ามตรวจอกนว่าเหมือนไปแก้ตัวจอะไรห้อเขา้เขามาอยู่นี่ขเขาหัวก็มาเห็ดบัซี่ว่างนี่มันเก่าปีหาปีหก ป, ปีนี่ตะ ก, กี่เขามาเห็ดบัตซี่เลยขเขามาถางขออัล ไล่รับกระให้เราเป็นผู้เขียนแรกใจกับเป็นเล่าผู้เขียนห้องว่าได้ไปกวดน้ำเลยไม่ได้ยื่นห้องจะเกลี่ยหน้หนังสือห้องัมก็ให้พ้าเฮ็ดปีนี่ลหละว่าค่าพระเจ้าทาเอาเจ้ามันเหลือว่าข้ามันมีพ่ออยยุบาทหนึ่งสองบาทหมื่อตัวจะไปโจกกับพซอเสด็จว่ามัดจะบอกว่ามดว่า บัญชีน้่งขับไปเจ้าหม้อี่นะเฮาพระเฮตกับกรรยา ก, กรบุญออกมาสันเฮาอยู่ใสก็ไเฮาองกับพเฮต์บัญชีของหนึ่งนี่ดอกรองพระเฮต์สาราลังนี้ดอกสาราขี้เหร่ลงังตะกี้บริเฮต ด, ดอกเห็นบัญชีใครพระเป็นผู้เฮุคนคันเบิกออกมาสันซื้อแล้วก็บ่รมคุ้มนเนี่ยขะสันกระจายเฮาไปนัอัน ซื้อเพ็ดซื้อไก่ซื้อยัง อ, อยู่ในตลาดคุนบอ่อเป็มู่แก้วไอ้ผุนหอแก้แวว่าลุงอบลุงอบลงอกอดเอวอยู่ผุนบ่อตังหอเหนเราว่ร้อนม่วหัวใจพ่อแม่ห้อเนี่ยขันว่ออันนี้ห่อถึงพีชถึงชิง ว่าให้ลูกไสคือกันว่าทั้งพี่ทั้งจีนคือกันเท่านั้นม่เห็นนี่ตั้งใจเฮ็ดได้วาสันน่ะงั้เขาดูถูกเงี้ยทอดเลยได้วะขณะในนึงนรับเงนเจ้าบ้านไปเปิดบกเต้าหู้ดาลูกไผ่หรบลอรคือว่าสันเท่ากับของพีทเขาบอกใหาไ้ลูกไส้ลูกไส้พึ่งจมาเ็ดยังไมันทำว่เขียบบอกน่ะบล็เค่ออื่นบกเตู้้อืนกเงเขียบหบล็ยเขียบตอกอะไรนัผู้มหา่าให้ตัว เฮ็ดยังมันดีบัดคอนเฟรคูของเบื่อแต่วันเราหลอนมนสั่นตัวมาไชจอดมาหาบัวมันดีบัดสุวนวเราเรพกลินกวใส่มันก็ดีเ่าขี่โลขี่โลาั่นทํวาเพียกมันก็เก่งมาสั่นการทำการทางานกระโมงกรบฟูงกันดีบัตส่ันส่วนนี่เราเบื่อยังเบื่อแต่ก็มันหลอนเราสั่นตวมาต้องพูมาหาว่าไม่มีหนอไม่น้อยเลสั่นเปล่งเลงดั่น กจะละได้โยตมันทางละเมื่อไรเจ่นไรมันเป็นนิสัยยังสิมันเป็นนิสัยเปิดเผยธรรมะหรอจะลย่เขาก็ได้พาะย่ามันละย่มันทางละเก่ได้ลังพนทุกข์แล้วมันตองสารปัญหามันสลายตายอีกหนปัญหามันลายเนี่ยก็เพราะว่ากิเลสมันลายะหละกิเลน้อยปัญหามันก็ลอยเสีว่างไลยสันกิเลลายปัญหามันก็ลายสินตคุณอิน มันนุักเ้าเท่ากี่เข้ายู่ผู้เก่ายุคผู้เก่าสพห้าร้อยพูดไปกวนเลกืกวนฟ้ากวนบัดกวนเบือโคบดเฮ้าไปยุคผู้เดียวเขาอาเดือนเขากะไรซักเท่ขึ้นในกลางผูเก้าไงผู้เดียวห้ อ, อ, ห อ, อ, หอแห้งๆสาธุดเด้อวัน์พูดก็พูดรทำอสงเทีวเทวดท า, าพระินพระพมพยมประกาลจ้ตระลกลกระบานทั้งสี่ตัวทั้งสาโลกธาตุ จงม อ, มองมองภูขาเลยเออภูเขาวบวชมากข้าวนี่ลูกตายเสียเนี่ยตายจากภูกขาวังโาชิมะผลทุกในวัตาสงสารม่อวังโาชิมาแอบบวชเลี้ยงชีวิตดอกเขาสันหากว่าพุทธ บ, บริศัททั้งสี่น่ะชุกกะดสุกรณีสามอันกรณีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมันเขามาหาน่มันมาผีเอาถอยบ่อยออกขั่วมันมันมาวังกูสวนนบุญคอยเที่วุฒเที่ยาวพรอินพระพุพระยมพระกาจจ้าตรกรบาลทั้งสี่น่ะ ต้องมันโดนดานครับมันถอยนี้ไปบดเดอด้อย่างถ้าผู้ขานั้นไ่นพูดเอาอยัางมาให้กินผู้ขาก็ทนอนตายอยู่ผู้เดียวนอนเพาะา่ผู้เดียวเรก็่านอมู่ดอานามาจอปาก็ได้เลย่ า, นานี่นั่นเกียจขี้เกียจเงียยจิ้งไปย่างไรก็เ่าะท่านพราสามหอบชี้หอบเราพูดว่านี่นขาต้องตายว่าท่นพราอธิษฐานขอคุณท่านคุณอินมาอา๋อบริษัทบริวารของพ่อเมียคู่าัย ก, การบรงนี้ ซอพนเขาหน่อยก็ไ่สงสัยพระอธิษานมาเรื่อยดิอาจารย์ปานั่นได้เห่าพิษมาล า, าเห่าเก้งปนานั่หละมานสั่งเถอะจะว่าเก้งทั้งผิดหรือเก้งทั้งถือก็ไม่เนรอมันปานั่นและเนี่ยิ่งว่าเราเมื่อโตขนเนี่ยยินงว่าเรพระมูนี่เ น, น, น, นี่ยยิ่งเราดีมันยิงนั่นอ๋อสั่งเห่าคือได้มาพิษเอาถอยบ่อเอาข่วมเหร พู้นี่พุ้โทคนหนึ่งวายสามชีอ้างสิผู้นี้ไ่ได้วายพ้าดนวนเท่าไหร่เ้โททั้งมสองนนี่พลาหวายเพื่อพ้านิพานไ่ได้วายเพื่อรอกรินขอมผู้ใหนรอกตอบเจ้าของหนอย ค, คุณยาคุยามได้พูดนหรอื่อวันที่อะหรฮะ่า ม, มาท่ามโทร่ากวาสนใสออ๋อหาบริเได้เสพ่อม่ได้คุยกันนาน่อผ้าว่านยอดพระ่เป็นยอด ส่วนม้วนพันบอกเขาสั่งพมยาคุชมันถ้ากรรมฐานมันมีหลายประเภทจะได้ประเภทหนึ่งพระญาติพระยมนางพระวนาประเภทหนึ่งพระญาติพระยมส่วนม้วนโคบโคบโคบโคบโคบโคบประเภทหนึ่งข้าผู้แายผู้สาวไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แยงก้นกันว่ท่านโดนตายอนม่นบ่กมองรถขันดีๆซะหรือ เรืองงวไก่หน้าเรี่งมาไก่เขาน้องรดน้องเรื่องอะไก็ส่วนพูทเสาวไปเที่ย ว, วนเนี้ยมาเนีน้เาหนอยก็เพราะข้อองร้ายเป็นโทษแมน่นบอกโอ้ขึ้นดีท้่ตัวมันหุจ้ามืดอ่ะจะว่าจางไหนไ่ให้มันหุงจ้ามันก็หุงเจัาอ่ะปฏิปทาของหลวงพู่มันเป็นเัองไหห้องบอดีเใครจะทิมคับกับบนไหนี้ ถ้าเอาไว้อยู่เ่นสั่นรองผู้มหาจึงโอยู่วะทารานี่มันจริงอยู่วะสัน่นมันเป็นศิษย์ที่มีคู่ได้วะสัน่นเห็น่ามเป็นท่า น, นสัน่นผิบาตตัวนี้เหน่ามัน้นผีบาตคักพากอะไรได้เป็นศิษย์ที่มีคู่เ้เปน็นลูกที่ีพ่อมีแม่ได้วะสัน่นโให้นั่งขึตอนนี้เห็นฟั่นั่งตอนนี้เลยยิ่งเราไม่ตัวฟังรูวว้ เอากรรมาฐานเนี่ยกรรมาฐานมันมีมันไม่จะ ก, กรรมาฐานเอาเขียวซ่องกรรมาฐานหนึงบวชเข้ามาแล้วแต่เที่ยวห้าเพราขอมาสามมาแปลงอันนี้ไม่ได้ขอเลยนี่ใครมาเห็ดก็จังเห็ดใครมาเอามาให้ก็จังเห็ดใครบวชมาให้ก็บวเห็ดาานะซ่องเขียวซ่องขาวระเบียบหนึ่งกับการจะง้างขึ้นในวันนี้ว่า แบบนึงก็พ่อบวชคือมาแล้วกับขายข้าวแห้งนะครบเอาอเาบาดเลี้ยงเปตเลไก่มันมีหลายกรรมาฐานมันมีหลายนี่กายจะได้ส ม, มอเอานี่หว่าจังไรสั่นี่กายนึ่งก็ บ, บวช ก, ก็มาแล้วก็พอได้เลอ้ยน้องขัพติคุณโทพอได้ออกไปเป็นตำรวจทหารเด้อ นี่กลายนบวชเพื่อหวังผลทุกนาวตาสงสารนี่กลายหนึบวชม่ผู้เลี้ยงทำาตายนั่นนั น, นเกียรติหน้าไม่ต่างกันนี่สั่นพระพุทธเจ้าก็บังคับหน้าน้าคิดตางเน่หน้าหน้าทะมั่งเน่กามยีหน้ า, า, นาวัตเจีโลกโอเน่่านโลกเป็นตามกรรมเน่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเอกนึกเอกแค่นี เดี๋เปิดเปิงมาเนี่ยมวยยาวิทยกรสองจำพวกจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นนายพระนายเนนจำพวกนั่นกระได้ลวงนรกเด้อพระเจ้าจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นลูกศิษย์พระศิษย์เนรพวกนั่นจะไปสวรรค์นี่นายพระเตไพิรกน่ยเปิดเปิงมาบานี ที่นี่นักข่งพุทธการหน้พนพาพิสุจนีกับพระาพิสูสงหน้าพิสุนน่จะเป็นพระอรหันต์ก็ตามหาบ่อยหาอุบายประเทศพิสูจพุทธสน้น แม่แต้ข้ามเดียวในท่างตื่นและช่งกกะางเลิกก็สั่ง่างเลากก็ช่งตื่นนี่เป็นคิตก็ะว่าขอน้างพิโนี่ก็สั่นี่เมื่อห้าเป็นฆราวาสมันก็ยิ่งรายแล้วหนอง่ันเออดว่าอันน้นนี่ค้นคิิคข้นหู่จักมันมีในพระไตรปิฎกหมายแปลว่าสามปิฎกแปลว่าที่ร่วม ทังหลาเข้ามาของมันของมันมาในตักปันหันของนี้มันหนึ่งคนคือคนหนับปลาลูกปลาเมียแล้วคนขึ้นหดลูกว่าสาีแท้ขึ้นหอดแม่มันแม่นบ่เออปลาลูกปลาเมีขึ้นหอดลูกอ่นีะเพราะว่าสาม่แท้ขึ้นหอดแม่มันมนบเบ า, าเลีนะเ่ยงนาเลื่องหลังอันนี้ก็โค้งไปก้ามาเลดทังหมดเลี่ยงนี <c> ่ <oughs> เนือกเนี่ยพ่อองค์เจ้าห้องพ่อสอนเรามียระวางพ่อกขาเมียกขสอนเนื้อระวางศิ์กับอาจารย์กสอนหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสงด้วยสอบไปยืนคอยรับใชายสามด้วยเชื่อฟังศีลอุปถาห้าด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพเมื่อท่านอาจารย์พูดอยู่อย่าม่ท่านจบคําอย่าพูดเสริมเข้ามาเวลาเดินก็อย่าให้ใกล้คิดเกินไปเวลาเดินไปบินทบาตก็เหมือนกันอย่าให้ใกล้คิดเกินไป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 น้ำร้อนน้ำเย็นก็จงทำให้ท่านจงรูปผ้ากีวรจงปัดกวาดจงทำสะอาดให้ดีมีขอวัญว่าอาจาริยวัตรที่สุสรรมเณรองไดททำอย่างนั้นสมาธิสมาบัตจะขึ้นเวลาจะไปสู่อาวาสอื่นถ้าจะไปเรียนกร็รมาานกับองค์ท่าน ให้ไปถามเสื้อก่อนน้ำนี้พระอาจารย์ตักมาหรืออาจารย์ผู้ฉราดก็ต้องตอบว่าถ้าตักมาก็ตามจงร่างจีนจงร่างเท่าเสืเอ้อเถิดถ้าว่าท่านพระอาจารย์ตักมากับผมขออนุญาตร่างเข้านะนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นสมาธิสมาบัดไม่เกิดนะในคำพี่วิสุทธิมาศ ละเอียดลราออกมาไหนสักนเราเรื่องสักค้า้เรล่องกองถูกเราเดี๋ยวพระนิพพานมันกับว่าถือพรนิพานเพราะมันนี่ถึงจะถูกวางนะออกเพุ่มมรกมันกับว่ามีพุ่มมรกตเพรามันน่จะถูกในบ้านทีนี่ในสวรรค์ใดมันจะเกิดขึ้นชื่อดอกเนี้ยก็ต้องสร้างไว้ในมนุษย์โลกสค สวงสวรรค์ท่านทุกทนคือการอยากดูมหารายขกล่าพอดีสวติดช้าพอดีนามาพอดีดูชิพอดีนิมาละวั ต, ว ต, วตีพอดีะเนนี้มีสวัสีพอดีกระางวจเจนมนุษย์โลกมันจะเกิดขึ้นพุ่นเมื่อมันจิตเกิดขึ้นพุ่นไว้คือดอกเห็ดเองทินี่แล้องตามเองทิไว้แต่เนมนุษย์โลกสวรรคทุกชินปุชยานัวลหกก็คือกันวันมั น, มน ที่ตั้งลูกไว้ทำไมเข้าเขาเข้าประทังไว้ใช่ไมนั่นมันแ่มนุษย์ปี๋บองสันนรดว่าถ้าสั่งไว้จะนุ่นสิมัดจะได้ใจสิมัดการนัดกิบะอาชิตหน้ากางเมษมุซาสุราอุนมันก็ไม่เข้าสั่งไว้จะผีมันจ้งจะไปเป็นมลฮกคุณหรือว่เข้าจะไปสางเอามมลฮกคุณสวรรค์ก็คือการเขาเขาสั่งไว้นมนุษย์ปี๋โดนม่เข้าจะไปส้างเอากุนก็มารวมกัน มันไ่เ้าสิขึ้นไปจะเริ่มสร้างเอาโลดเขาก็จะเริ่มสร้างมันจะลมถมันจกคอยได้พวอมหาโลกตมาสร้างตุติยาสร้างตุตียาสร้างเจตุติสร้างก็ดีสร้างที่หนึ่งสองสามสี่พดีนอกจากสางไว้แต่มมนรกถึงมันจังที่ได้ปชสวะสร้างเนี่ยพูดว่ามันหิยังงงงงปัสาวะสร้างคนโหลดไปไปแล้ตัวเขาสู้กันในภาชือนกัน กระพุ่นจากกิเดศแล้งแต่นมนุษย์โลกคือเขาไสั่งกงระปุข้างนี้เที่ยวโลกก็ไปพ่นให้ที่่าโลกก็มีปลวกไปพนที้ข้างนี้พ่อพมลโลกกดพ่นแล้วพมโลกหนุก็มีอั น, าานที่ฟ้ามันช่วยดับวันคือกันบาสีกันไปยุในสันดุสิทธิ์นี่ก็ฟังเทสตุภัเจ้าอ ง, งานาทำไดเพระชวยดับวันก็มีนั่งจะจะฆ่าฆ า, ามก็มี ทำเลพระหนาคาไม่ก็มีทำเลพระหันก็มีมันออกจากข้างมองพุทธเจา้าหอกมีวันไปมีวันเพิมได้สิ่งพิเศษแล้วเพื่ออะไรก็ตา ม, ม, า ม, ามบัตรข้าสอนพุทธเจ้าหรอกเขาเขามัเขียนเป็นยออข้ามสอนก็ตาม เรื่องดวงใจดวงถ้มกันสามมันเรื่องกลางพระเจ้ามันยอดคาสอนแม่ตเตนอโมกี้ม้วนชิมยันต์นึ่แกนเดืมดของผู้ขาแดงยอดคาสอนพุทธังสระางพรามีม้วนี้ม้วนยอดคาสอนหมะทัานสินพอหน้ามุวนนี้ม้ น, อ ย, อมนยอดคำสอนหมดมันฑิตีบ่ดลายมือคือการ น, นั่นแ่ะ ไลเมื่อเสลมือผู้นีเนเเน่เ็เบืงไล่ไก่หนแไล่มื่อก็าล่ไใจกันเดียวกันหันแย่ที่ล่มือพระพุทธเจ้าน่มันเป็นเรื่องนึงพวกข้ามมาเบิงนั่นคือกับพุทุช่อนเข้ามาหนีเป็นพงจับสําหรับชใช้เฮานี่พระพุทธเจ้าบ่กไห้ว่าจะเป็นเยศาสตร์ทงนั้นถ้านมนนพ่องพุทธเจ้าจับเป็นยศนนนนนนพพนาส ทิพซูผู้ทำน้ำมนต์น้ำพรเนี่ยเขาอดี๋ยววางขนข้าพายาเขาระวังขนข้าพายาเขาเป็นอาวัตรทุกกฎเป็นปาประมาจารเป็นอเนสนาลงทําให้เขาเถิดเดี๋ยวให้เขาเอาน้ำในวัดให้เขาไปตักมาแต่น้าบ่อนำมาหาคำเนี่ย เราให้เขาไปตากอน้ำในวัดเราให้ไปพระไ ป, ะปะสวดให้เนี่ยมันมันบาปผมาอาังสันบทเจาเจ้าของบอกกวรบอกมุนเองที่เจ้าขัดําไร้ว่าพูดได้มาอะม้วนเขาก็ว่าต้นห้อนว่าแม่ว่าฉันนะต้นห้องว่าเอาพระมาปลอมมันสิขูดให้โอชะที่เจ้าเจ้าเป็นลกข้าวนั น, นเอาะที่เจ้าผัวเทียดเขา ไปทอดสับแก่หลวงคาบบอะว่าอันน้ม่นนั่นพระพุทธเจ้าว่ได้หามได้หังหามบ่วไหว่าขวดเท่านั้นบ่วหไหว่าขวดท่านี้บว่าัขันเท่านั้นขันนี้ที่ซูเป็นบ่วยาพระพุทธเจ้าจะหามแต่หังบวหามเอาเงินมากไปซื้อยามากหรือกัวแล้วรักษาหายหายแล้วลักษาโลกหายแล้วจะเอาเท่านั้นจะเอาท่านี้พระพุทธเจ้าบ่วไหว่า เขาไม่ีเมตตาเขาต้องทำให้เขาถ้าว่าไม่ีเมตาาตาเขาเลยออกไปเขาเสียนทรัพยเป็นเรื่องของเขาเขาบังหายทรัพเปเรื่อง ข, ของเขาส่วนัเบอร์โบกเบียงไล่ตีนล่มือเจอ้าสิเป็นสเนสบผีว่าเจ้าผีมีมังนังงู น, นันจีนนนท่า น, จ, ดดานจากดา่านคือจังดาตูลิ่งบวได้วาอะไรบังหายข้าให้สั่งติดอันนี้จะหน้าอาอย่างชี้มั น, น, นสมควรนะ น้มอนน้พอนเหมือนกันคพิสูจนนักไปทั้งนี้ก็ยาติหากิงบมดราตอกินน้ำน้ม้นมนพอนญาติ่ได้มาขนในฟาน์า่านเอาอันนั้นไปเที่ยวหากิงพระพุทธเจ้าก็เลยต้อโอ้โออออออหามยาติษษษุดฝุดต้องเอาต้นญาตาิาตขุดฝดวนนม้น น, นพอนกบพิสูเป็นมอยานตอนเรล็กส้นาชบัสช น, นเบอร์ต อ, อ, อนวิสาอันนั้นอันนี้วิสาเสนีวิสาขงปอด หาขาดเลยอันนี้ไ mm hmm. ม่ทาบเลขสืออกตัวนั้นเลขสื่อออกตัวนี้นอออนนหาขาดเลยกระเบรานเรียกว่าหวยจัดเขาเอาใบย่างมุกวัดก่อนไม่อะไรัดถบถาบันจัดเข า, านียเอาใบยงมุกขึ้นกันรัฐ บ, บาลกับผ้ามาซาส้นเซตเอาใบย่งมุกขึ้นกั น, ก, นก็เพ่งสินะเอาเอาไปกข้อกับไป เพราะว่สั่งคำเาว่าจังสั่งอกพระไตไปิฎกออกไปสมถิมเสตี่สั่งไวเฮียังสั่ถ้าไปเสบชิ้หไยเมอร์เสืออวัยวะมุขหรืาอถ้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่ น, นการพนันเขาคนชั่วเป็นมิเียาชั่นทนงานในทั่วกโลกหวันเจริญในพวกกระสับตรงเว่นเหตุเครื่องชิ้ไประการนี้เสีย เราพูดถึงการสวอนโลกไม่ได้สอนประเทศอินเดียไม่ได้สอนประเทศไทยว่าให้มืดนี่งคันว่าพิษเขคําเห่าว่าเหาว่าพิษได้สักกะพระไตรปิฎกเอาไปสูญไฟจมือตี่ยหนึ่เอาไ้ยังยันนั่ น, นปฏิวัติเพื่อผลทุกข์นะว่าก้าอวสองสารปัญหามันก็มาหลายได้ังปัญหา ปฏิวัติเคือสิ่งดีสิ่งเลีนกันเพื่ออนันตอันนี้ปัญหามหาศาลในโลกอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกเป็นเล่าเขาโยมก็จะเสด็จพระพระก็จะเสด็จโยมไม่จักไคสิเป็นลูกคิดไไรต่ปีนกันอยู่ในนวันสิตายวันที่ิืบหายอ่เพเ่านี้ยมันปรนก็ปากกแต่ไม่มันเขียงกันทั้งในจว่าอย่างไรกันว่าผู้นี้มันปากกว่าเลยมันาอายผู้ใดก็เถียงเลย เด็กมื่อพปากแล้วมันดังเสียงกันขางในสิว ja ่า่าไรสมันบปากข้าคนสิว่าอย่างิอ้คนน้อดูจากรหูว่าขันนถือว่าวิวัดมือกับถือู่วัดมือขันนอพิษว่าวิวัดมือกับพิษู่วัดมือ mm สิว่าอย่างไรสิอืมน้องฉันว่าขันนอไปท่าว่าวิวัดมือกปท่าอยู่วัดมือ คันบอกว่า่ Women, าเป็นถ้ำกับว่ายวัดมือกเป็นถ้ว่าเป็นถ claro. ้ำเนวัดมือจีว่าให้สันคุ้มว่าปากขึ้นกันนะคันว่าปากมันเป็นธ้ำมาเกิดแลก็เป็นยี่วัดมือคันว่าปากว่าเป็นถ้ำมันกับว่าเป็นยี่วัดมือขือกันนะแลาวใช่คนปากเกือเขาว่าเป็นพระราหัสน์สังค้วกยเหมือนมันเวลาอิหยังสังเป็นนี่ถึงงอนตัวจีว่าทั้งออกเป็นพระราหสน์สังนกเว้ยออกเยวัดมือท่นนี่ แเี่นังขี้ขอขี้ขอี้่้อหยุดไม่ก็นยู่กับสติย่กับปัญญากับใจคนคามมุ่งเนี่ยพุทธเจ้าหายหมดแล้วเี่ยไหเกี่ยามีบบเบามุมนี้มันจักนวหนึ่งย่างสองย่างสามย่างบุมี้สอนหลกสอนสองสามพุท่เจ้าสอนหมดเนีไหนชิดชิดพุทธเจ้าสอนด้หมดแล้ว เป็นจะเที่ยงว่ามาแกงเอาเป็นคำไทยคือดอกมาแตงเอาเป็นคำเล่ามาแตงเอาเป็นคำจีนมาแตงเอาเป็นคำรังเศส๊ยบก็มากินข้าวไม้อเดียวกันคือกินเขาเนี่คือเขานี่กินเขาง เ, เ, เก็บกระว่ายเกีย๊ยวปึ้งพระพุทธศาสนาเขาเอาพุ่นฉันติหรือฉันพระาสนาาสร้างว่าสวยพระกระยาหาร พวกเราเขียนกันหมูว่าสิทธกเพราะว่าเนี่นยยกเพราะว่าตยกนี้ข้อมาอยอันเดียวกันละแต่รถคิดรถใจยยตั้งกันอุบายในกิจผนะักวิาจารณ์สารอุบายนะั่นะเป็นสั้งสองของพุทธเจ้า อุบายใดสิท้องเที่ยวในวัฏสงสามน่านอุบายนั้นเป็นอุบายของพยามารอุบายใดจะเพิ่มโลกเพิ่โกรเพิ่มลงอุบายนั้นของพยามารอุบายใดสิลดตําแหน่งลงสิปศอาวุธได้หลบได้โกรธได้หลงอุบายนั้นเป็นอุบายคําสอนของคนติเจ้าอี่เป็นคำบารีกษะางที่เป็นถ้ำจินทักษะวิปนั่นก็ตามสีพูดเรื่องจริงให้เครื่องก็ตาม จพูดเป็นคาภาษาเฮาจะสดเด็กกระซังคากินจะกัวเนีสมัปัจจุบันของเฮานี่ยเป็นคำไถ่กรซงจเป็นคาเล่ากรซางว่าท่อขังพุทธกาลเนี่ยคกินจะกวเกินจะกวแปลว่าทำเรื่องกินให้เครื่องเพื่อให้ไพเราะในราบน เขาเรยั้นอนอะนเป็นเรื่องกินตะกวีทั้งนั้นเราเก็บสินทราพยนกินตะวีของโ บ, โบราณเราอีสานทั้งนั้นช่วงหนะ้ามม่นกินตะวีทั้งนันละ่นะช่วหน้าสงขารมันเราเรื่องริงให้เครื่องื่อให้ไพ่เหล่ในเชิงกรมเมื่อนั้นหกเคยเค็ดขยดับนอาู้เลี้ยวใร้เลยขวาหาประตูเอ๊ะอยู่ที่นี้กำลังข้างนี้ บ้างเข้าแอบหลังภรรยารุ่นเนี้เข้าเจ้าอย่างนี้ น, น, ยยนั่นเป็นคำใช่คําพูดจะพูดไปละก็ อ, ออกไปจากเอกนิบาศออกไปจากเอกวัชณะนี่แหละที่พูดร้ายก็ออกไปจากเอกวัชณนะพพอออเพรววัชณนะเพราววัชณนะชนะแปลว่าพูดมากเอกวัชณนะแปลว่าพูดเป็นคำเดียวพูดสั้นขับพ น, นาม ออกไปจากเอกน้ำเอกนามเนี่ยคือคือคิดคิตใจแปลว่าน่ามั่งนามั่งแปลว่าคิดใจวิญญาณก็ว่าคิดใจคือกันชีว่าสีวออไปวัดมือเนี่ยก็ออกจากคิดจใจอันเดี้ออกจากหนึ่งสิยศลงมา ก, ก็มาหาหน่วยหนึ่งมาหาลักนหน่วยน่ะทก็าตาทยศลงมาหาเอกตายแล้วพรทุกยศลงมาหาเอกทุก สัพพโลกย่นลงมาหาเอกโลกตอนนี้เห็นเอกโลกขักกันสัพพโลกก็เห็นขัดกันเหมือนเห็นสัพทุกในปัจจุบันคัดกัสัพทุกในอดีตในอนาคตก็เห็นคัดกันนะคอนี้เห็นโลกชัดในปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตก็เห็นชัดกันนะเหตุที่ท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกภาวนาในลกมาในปัจจุบันจะไม่เห็นชัดในปัจจุบัน เห็นชัดนะปัจจุบันตอนไห้อดีตอนาคตตอนนั้นมันจะเห็นชับอยู่ในตัวมันอแเสียงควสงไขคำบ่ลงอันหนึ่งคำบ่ลงมันมาเสียกบฏอีกแ้วค่าลงดินน้ํากำบ่หลงไฟกำบ่ลงพ่อะ่มบ่ลงพนานั่นอเหมือนคำบ่ลงหนังกระดูกคำบ่หลงเนื้อก็บ่หลงเอ็นกำบ่หลงมาค่าลงตาหูบ่ลงเือกัน หลงอันนึงก็หลงหมดคนวางสัมคันรู้แจ้งอันนึงก็รู้แจ้งหมดคนวางสันแม่นแต่ว่าทังหลายอีกวายอีกก็แม่ีกันคนละคนรบผู้คามมัดไปแล้วยังจะกดเพราะว่าสีตัวขันมัดรอมันกับมัดวดคือกันละมันก็มัดหลงคือกันละ ราคาพูกคานะ่ะขาไปแล้วยังจะโทษสะผมว่าละ่ะพวเราโคมาตัวขีว่าจะเดาห้องนี่บอกย่างเงียบ่ล่ะคนโทสมันนอกมันได้สมประมันก็โทษสะจะสาเก่าหาั น, นอ่ะมันไได้มันไมนได้สมประสงมันก็เป็นราคาที่สเก่าหันอ่ะมันก็ติดด้วยนนันส่วนโมฮันมันเป็ขอละ่ะ ขุนพาะนาคามีศิลาได้อรหันตมาโมหานศิลาได้ตามคนอ่านลงมาเลยจะวังเลยมันเห็นท่าางถึงตทีเด้มันเห็นมันมกิดประโยชน์ยางเถื่นีเพืจะละได้คันมันังเห็นเปี่ยนประโยชน์เห็นว่ามันแบมันไหวจ่ามันกละบ่ได้จีได้ปน่ะ ถ้ามันสงสัยว่ามันจะหอมเนี่มันก็ต้องระดมอีกวันเนอะกันมันรสงสัยว่ามันจะหอมมันจับมือมันเปต้อยมาดมมันแกงสฝืนอยู่มึอก่อนพวกเขามันคือผ่าโมหรือว่ายังไงสั่งฝ้ายมันคือกานหาถ้ามันเห็นข่าวว่ามันเป็นของห้อนเลีวยมันก็พยายามไปหยบอีกประหน้าที่บาปมันคือกันถ้าคือว่ามันเป็นบาปกรรมนี่เองถ้ามันเชื่อเราสั่นนี่เมันก็ไม่เสื่อายไรจะไปเฮ็ดหรอว่ายังไงสั่งนั่น ทนาท่านก็เือกันคําท่านเชื่อเป็นบาทเป็นกรรมไอ้ทีคําานเสื้อไอทีสัพ์ทานุตซารีปัญญาุดารีธรรมะลดซารีคําท่านเห็นคักกว่านัา่มมนนะมั่งกบฏเด็จอยากไปร่วงละเมิดเชือกันนะราเมืไม่ใชจานเือกันคขามันเห็น่ามีจะโทษลว้ววนนะสนมนั่งกบ่เสด็จอ ย, ยักไปเื่อกันนะแม่ผัวเขา ถ้าให้ข อ, อนอนนํามจะเห็นเงินแต่เป็นฟ้าเป็นเหมันก็บ่ให้นอนขึ้นกันเมื่อเขาก็คือกันแหละลูกเขาที่มองแ ห, งหน็นขึ้นกันมันเห็นว่ามันเป็นโทนล้วนเนะเห็นแบบนั้นมันเรื่องความเห็นของซูเปเทปาโน่นนั่นว่าจะปลี่นขึ้นเลยมันมันอุชุ ย, ยะยาสามีอุชุ ย, ยะยาสามีแหงเห็นละเอียดก็นั่นอีกฝระ่งฮันแห่งไม่คีดคิดมาหะหลาย ทางทิศถีไปทั้งมิมุตทิฐถีได้โนมีกเลกเรสิ่งหลานพระเจัากุมารตาบอดพระเจ้กุมารตาบอดจะพยายามพี่อย่านองแต่ทาเป็นพระอารหนแล้วเป็นทุกขยุัตะโกเป็นผู้ทรงกับแง่ล้วนทุกขยุัตะโกนัจนเจริ่นสมาสิส่วนหนึ่ง มีปัจจัหน้าสามส่วนก็ไดส้สำเร็จพระหังเพราะสำเร็จกับพระหังกับตาแตกพร้อมกันเพื่อนก็มาท่านบนอนมัดภาษาตาเพื่อนได้แตกเขามาใส่ยาให้เพื่อนท่นานนั่งใส่ท่นอนใส่ท่านใส่ยาท่านนั่งเรือนอน นั่งไข่ตายไปมวยร่ำรอนมวยร่ำร่อนตาลัทธิตาตาพระแ ด, ด้แตะตาแตกพ่อมันก็เปลี่ยนพระหรันต์นิ้วพวกกำยังจิกตาแตกจะสาดกรรา้อนเป็นเมายาไปใช่ยาตายเขาไปกัพุทธองคหนั่นก่อนไปใส่ ย, ยาตายเขาแล้วนเลือกมาให้เงินเขาผ่น เขาเขาไ่ให้เงินเัาเนี่ยเขาไ่ให้เงินะลนหาอุบายเอาเอายาแระแทกมันยังหายไ่ทนคั ก, กนเอาเนี่ยไปใส่อีกเช้บาก็แล้วกันแล้ไปเฮตุตาข้าบอดซะนะฮะเนีย่ยกรรมอั น, นันเลยนํามากาเพิ่นเพิ่นพระรันก็ได้เป็นปก็กล้าดเป็นพระรามก็นยังตาบอดด้วยเอาฮะเนี่ถือว่าอัลเยจะออกให้ฟังองีกกันผู้ชายกันย่นผู้หญิงกันยืนมัตุกนันละ ผู้ยิมผู้ยิ่งเหาะก็มหาบารย์เกันเพระพุทธเจ้าเกิดน้ำผู้ยิ่งเท่กันเดี๋ยว่างใ้สั่ผู้ยิงพระพุทธเจ้าจะเกิดน้าไห้สันเกิดดอกบัวบ่อมองสันว่าแล้วจักรวาลนึงอยากพยายามบ้านยากทำได้ประหางเนี่ยตาบอดร้านผู้นึงบวดน้า เป็นสมาชิกยัยสมาชิกสมาชิกชิคเกตที่แปดปีนี่สบยจูงมาเท่าไปจูงมาเท่าไปไปไก่เติบใน้ยินเสียงเล็กหน่อยชิคเกตที่แปดด้วยยี่สิบก็แม่ลูกเสียงเขาต้องฟองเฮงฟองราฟันพฟ้นป๊บเฟ็ดปุ๊บเฟ็อยู่ห่างกันก็มีอยู่ไก่กันก็มี โอ้เนี่ยนะก็พัดจําเสียงผู้หญิงก็บานเิ เ, เยินเสียงผู้หญิงก็เลยหลอกให้อาจารย์อาจารย์ท้าผมยังนี่สะพองผมเท่าทไรสุปลายแคบน้อยเลยครับอาจารย์มันคนปนงาเนี่ยฮะมองทุกทยวัดตะโกปนงาเก่งเนี่ยนี่ปลเนี่ยอะเงี้ยเสียงยงังไร้องสนเสียงผู้หญิงสาวทั้งนั้น เพราะค่เนี้ว่าเพรามันอยหางกันเนี่ยคาเสียงคนหนึ่หุนแต่คนนึงฟพื่นแล้วี่แล้วคนนึงฟันพื่นแล้วี่อันนี้ตาต่อฟันปุกๆ๊ ก, กนี่เพราะคเนี้ว่ า, าเนี่ตรงนี้ปมดเสียงอนอโดนเติบออกมาต้น คือนันม า, ากเถอะตัวไปยังเอาพี่ก็น่ารอยเหตุผลอย่างนี้ตัวไปทำอันไม่ดีไม่ดไมด้ก็ญิงฟันฟุ้นอย่นี้บอกว่าสั่งนี่คก็บอกก็บอกซื้อแ น, น่นแล้วก่อหน่อยว่าสั่งันนม้ันก้า เจ้ากบพควนจูงมาเข้าไครไปอีกเพื่อนพระละหันน่คิดถึงวันะเตียงฝันกลางพระมิตรก็พคเพื่นก็อนจะไปห้างแย่งใครใ่ใครจะยิ่งเกือยดไปมากบวดกระซ้างมันใครจะตายน้องตายก่อนเอาป่าพระมิตรต้องคบเพ่อนแล้วพอหาเจ้าเจ้าสิ่นี้แต่แค่ก็ไปแล้วล้านสํานวันเตียงเต็นฝั่ะมุกตัวพ่อทีนี่จป็จ้าหญที่ทำมาหวด เป็นความรับบุญภูรกาวออกมาอกนื่กะเฮ้าเนล่ยเาบอาว่าเป็นความรับเสียวม้าเฮ็ดไว้ให้ยั้งพระสันด้วยให้ก้นงักสันเนี่ยมัวบากมืดกเฮ้าเอิ่มเพื่นเพือาเลือกการม่เพื่อนตัวมันบอเลือกบุมีการตัวบโลกคารับบุมี่ในโลกนาทีโลกเกิแล้วหัวน้อ่ะคารับบุมยีในโลกคำว่าเป็นกันกต่อเส้มะจวงมาเท่าคอยไปนี่ ปล่อยที่กเกือบไปมาคอเยเตายนี่เรื่องดีเาจะออกมาจูงวาเท่าคอยนี่มันถึมีประโยชน์เนี่ยเขาจ้ามาจูมงมาเท่าอยเจ้าเป็นปลาประมิตรอแไต่างนี่นี่อาจารเมื่อไรๆเนี่นีนี่นนพุ่งเ้เป็นอายุที่เจ็ดแปดหรือชั่ววารที่ค่นละไม่ไปพูดเดียวห่อนหอดก็อินอมนั่นนี่ก็ อ, อินเนี่ยรงมากเมื่อนำมาบอกเสียงเกือจ่อยของคอย คอยเจ้าแบบนันเท่าโอ้ยลูกขาเพราะกาบเช่าทุ่นถวายจีจูงพ่อผู้เป็นเจ้าพ่ะพู้เ <utilizz> ป <ates 32> ็นเจ้าสดกระต้งจับกระเยีบยอดทูกขาเองัานแล้วช่างนี่ม่งช่ยงคนธรรมดานี่ยนเสาวน คงจะเป็นเที่ยวบุตเทยวดามบบันหม่มันมันมนแงแน่นัน่นราคานี้เลยก็ไปใบุญตูงไปตูงไป ก, บบา ก, กขาบอให้กระกระเสื่อนนี่ไฟตูงไปใกล้ทีเขาบ้านนะนบ้านเพราะไ้พระ ผ, ผูเจา้าพระู้เป็นเจา้าน้องควายอยู่ในตะบุตหนึ่งทีมีค้นพางไปมากนี่แล้วเขาก็าสิดึงเขาู้เปเจา้า ขเขาพยายามหรอกเขาน่อยเชล่า พ, พระพุกุเจ้าไปา่สะกรนขน่อยเนี่ยเรคือพระอินนั้นเพระพระพุกุเจ้าไม่ซันไม่กินไม่ธรรมะมันเดือดหอนของขน่อยเขาน่อยก็เลยมีนมิด ต, ตวัวมากเป็นกับผักขาวมากไม่สูงพระพุกุเจ้ามากตอนน้พระพุกุเจ้ามันกไ็ไปไปทังอื่นเนี่ยขาหน่อยเชล่าพระพุกุฏเจ้าเลยเยอก็เลยหายไป เมื่อตโดนคนหรือแม่คอคนนำโดนก็มาถูกไปแต่หาหนักพยายามหนักนะก็อรหันต์จำการหนังสาระและ้วมัเทากับ ห, หายจ้างซี่ดีจ้างฟ้ามว่าเราคุยเจ้าว่าหาหาจิตทั้งหายจ้างซี่ดีจ้างฟ้ามเนี่ยตาประมิดเจ้เจ้านาจะพาลานัง่งแล้วพวกคนพาจชาต้าเป็นมิรคนนกพบบันทิด ประตู ว, นนวาานัน น, น, น, นี้เนี่ยเชี่อได้เยที่สรางวตถเนื่อเ้าใจผิดบลมอเ่างนี้นี่ยงอ่าตอนนั้นละพิธีมานะพิธีมานไปได้สร้างสิ่งก่อเรืออวางข้าววพทถุเจาอยู ก็ตีของตีกองขึ้นมาเฮโอ้ตีเจา้าอาน น, นข้าว่ามานถุก็เสียงอึ ก, ก, ก, กอัดชื้นขึ้นค้มั่งถึงอว่าฝ่าวศาสนากฎดูแลนแต่บอกข้าเจ้าแม้ข้าเจ้านี้ชาสั่งแต่ครับคนมาสอบดาบตอบยศไม่จังกันรอกว่าจนน้อานนเป็นผู้ตลาดทีด้เขงเป็เพ้าโอยดามันลงไปอ่ะมันถือเป็นข้าผู้อกเจ้าไปเงียบนงียี่ว พิมพ์สักฟองๆมือหนี้ะไรพิมพ์มืนะไรไม่ยากให้พิอ่านร้อเลยก็เก็บก็เกเก็มาแล้วเก็เงียบสัมภาโง่นะครับเออเาันเบอกมาหาจรยบอกมาหาพระองค์โงไม่เลยอกนี่ปัญหาสอดเขามาว่าพระองค์เจ้าลูกเสียงกินรถปดสะะถ้ามาล้มพระองค์เจ้าละบ่ได้บอก ยังอึ ก, กระืคือข่มสนมบครับป้ายเป็นเรื่องของเขาไปยังมีปัญหาสอดขอมาวาด้เนี่ยโยพระองค์ทีทอดสะพานบ่าหาลูกหลานทั้งหลายคุกขี้อึ ก, กระดือคือข่มส่วนพระองค์จอนละได้มรดละที่ทอดสะพานไว้ลูกหลานอันนี้หลวงสันยอด อ, อันเชือพระองค์เจ้าดา ดาพระวัคคะลิก็ดีดาให้มันเปลี่ยงถ้ามันที่ว่าพระวรคคะลิเหตุหนึ่งมันบ่มอสมมัน m, มาเป็นประโยชน์ลองเอาเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก่อนพระวัคคลิสิบล่องพนกระร้างพลผนพลล่องแล้วล่งพระองค์เจาพระวัคคะลิพนดาเอาพระองค์เจาวมาพลลุกพลผลลุกผลกลัวผลล้มแล้วพนดาให้ยังไงเนี่ยเ เขาคุดพ่นเมื่อใดมันแกนเขาคุดยังแหงเขาเคียรพ่นอ่คุดแหงีเดี๋ยวมันบ่เขาสิว่าอย่างไรมันแกน้องกินบหมีมุ่น้องสมกินทั้งไงมันสั่งนันก็เป็นประโยชน์อันนั้นก็ซึ่กันมันก็เป็นประโยชน์เพรากระข่าวออกขาวันหรออคุณที่ั่พระพุทธศาหากินทั้งโอแบคขาหนาเดียวบ่อ ขัพรพุทธศาสนาหาหีนทั้งอเบียค า, ธธานาเดียวครับสอนกับบมีนี่น่จะศาสนาพระประเจกเนีย่ยหายกินทั้งอเบีย า, านาเดียวให้สร้างท่ดีส้งางควาเ ข, ขนเขามาแทบบาทให้แล้วเอาหัวุกครั้งเอาหัวุขั้งแล้วับไก่คนไปเติมแล้วกับหอ น, นี้เลยนี่แสดงเสด็จยังไงยังเสด็ทุกครั้งอั น, งนนี้กลางอานาตาแสดง บ, บมญนี่ในพระปเจกมี่ไอดก็เอาหัสุกครังเอาหัุกั้งไปรวบบริอีทยังไปอีก ดีจำงพันศาพวกเฉพาะวัคซีบอกว่าหายซังที่ดีสัมผัด้ห้าปีนี่เพราะฉะนัแล้วสามาเตือนกันเพาะนั้นฉะนรกของไฟย้องวันเนาะเราะันัช้าเ น, นี่ยาะนั้นแล้วมาตักเตือนกันเพระพรุทธเจ้าจะทราบขา้อว่าไรว่ไรบ่ไรราัน อีกข้างมาประุมเชิญ ป, ประกาศท่าสันบ่ถือได้เลยฮะาก้าห้อสิเรื่องพอทีเ่เตือนกันได้เลยฮะ ห, หสองนองหมูหนึงได้บอกกันนลยอมรับยอมรับฟังพวกของกันยอมรับพี่จาหน้าของกันว่ามันากินถ้าคัดขาดนาเดี๋ยวได้เลยฮะมีเห็นมนก็ต้องเอาฮนะไม่ได้ถือคู่หนอยผู้ใหญ่เลยฮเวรอั่กดเพาะคิจะมาฟังเลยท่าสันบ่ถือก็สั่